นั่งเข้านั่งเขียงกันเหนื่อยแล้วเข้าไปนอนใช่ไหมแล้วเบสเซก็มากินต่อแล้วก็ชูอย่างงั้นเนี่ยเมื่อวานนรมากสศนานากับพระบอกว่าเนี่ยท่านเคยเจ็บปวดกันบ้างไหมบวชกันมากันนานแล้วเนี่ยกินข้าวกันชาบ้านจนไสจะขาดกันอยู่แล้วเนี่ยมันได้เห็นมักอะไรสักมักบ้างไหมเนี่ยถ้าเขาบอกว่า ก็สะดุ้งอยู่ท่านอาจารย์ด้สะดุ้งอยู่เอามันก็กินถ่ายกินถ่ายมีอะไรมากกว่านั้นไหมชีวิตเนี่ยประตูก็ประตูห้องนั้นอหลรที่เข้าไปถ่ายไปไ ป, ไปถ่ายอวจช ร, ระปัสสาวะไปอาบน้ำห้องใกล้ห้องนั้นอะไรที่ไปทําท่าไปนอนนอนนอนนก็วนๆอยู่นี่ชีวิตเนี่ยไอเดี๋ยวก็มาเรียนมาธรรมะใช่ไหมเขาบอกพระนี่เดี๋ยวมาเรียนธรรมะ เบสิ่งก็ไปบินธ บ, บาทได้หารมาก็มาฉันฉันเบสิ่งก็ล้างบาทล้างบาปเบสิ่ก็รอบาทแห้งปิดบาทต่อมาก็มาดูตำลาแล้วก็มาไข่ครวนไข่ครวนก็ยังไม่บรรลุเคยเบื่อกันบ้างไหมตัาเบื่อถามว่าจะออกไปเป็นครวาสก็ไปไม่ได้แล้วเ <laughs> <laughs> พราะใจไม่เอาแล้วใช่ไหม ใจไม่เอาแล้วมาทางธรรมก็ยังไม่บรรลุใช่ไหมยังไม่ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุยังไม่เห็นแจ้งในธรรมที่มียังไม่เห็นแจ้งยังไม่ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงก็คือโสดาบินมรรยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุคือโสดาบินผลยังไม่บรรลุทําให้แจ้งธรรมที่ยังทําไม่แจ้งก็คือพระนิพพานของพระโสดาบันเป็นต้นก็ยังไม่เห็นฉะนั้นปริมาณศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอ่อนแอเนี่ย ท่านต้องเพิ่มนะถ้าไม่เพิ่มเดี๋ยวท่านก็จะต้องกลับมาสะพายบาตอีกแล้วแล้วก็จต้องไปบินบาตอีกแล้วแล้วก็จะต้องไปนั่งฉันใช่ไหมเผลอๆไปทําผิดขึ้นมาตกตามอีกลําบากอีกสังสารวัฏก็เจ็บปวดอย่างเนี้ยมาชาตินี้ดูดเหมือนมีคนกราบคนไหว้เนะี่ยไปอีกชาติหนึงนะ่งไงกลายเป็นเราเนี่ยยิ่งตกตามกว่าเดิมอีกมันยอมเล่าอะไมาปางว่า ในนรกมีจีวรแขวนเต็มหมดมาฟังแสะดุ้งบอกโ oh, อ้ยจีวรแขวนก็เหล็กเท่าลำตาเหล็กอ่อนเลยบอกก็ให้แม่พูดแห่อดัมาสะดุ้งใหญ่แล้วบอกว่าบอกแม่ขนาดนั้นบอกเ e อ๊ะเราจะไปผ่านซึกผืนนงยิ่งไปใหญ่อะไรเนี้ยนึกโอ้น่ากลัวมากน่ากลัวเห็นไหมอามาก็เลยบอก ยอมมีคนหนึ่งก็มาถามมามาก็บอกว่าบอกว่ายอมเห็นแต่ที่มีจีวรผ่าต้องเมิมเนผ้าพาดอยู่ไอ้ที่ผ่าผานนะยิ่งกว่าจีวรเยอ่เพราะผมนักบวชมีน้อยกว่านี่คารวะมากกว่าไม่ว่าพระหรือคารวะใช่ไหมทําผิดตกนรกเหมือนกันหมดใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่นายนิยบานบอกโอหนี่พระคุณเจ้าบวชมานานไม่กล้าไม่ชิบมาเขาไม่มีถ้าไปในพบของท่านแล้วท่านก็เล่นเต็มที่ใช่ไหม นี่คือการเจ็บปวดฉะนั้นสังสารวัตรตรงนี้เป็นคุกจริงๆไง เ, เาเรียกว่าคุกในสังสารวัตรมัน ถ, ถ้าว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราให้อาหารเขาได้ถูกต้องแล้วก็ให้อย่างต่อเนื่องในี่สุดจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าอินทรีย์นั้นเป็นกายเป็นมีกําลังแล้วเพราะศรัทธาเนี่ยมีกําลังเนี่ยมันจะเป็นปฏิบักษต่อตันหาวิริยะมีกําลังมันจะเป็นปฏิบักษต่อโกศชะคือความเกียจข้าน ในการที่จะเหนื่อยหน่ายในการที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ศึกษาว่าทําให้ปฏิบททัติธรรมนี่นะถ้าสตินั้นมีกําลังนั้นก็จะเป็นปฏิบัติต่อมุทัสติการหลงลืมถ้าสมาธิมีกําลังก็เป็นปฏิบัติต่ออะไรวิเขปะนะวิเขปากือคือความฟุ้งซ่านถ้าสติถ้าปัญญีสีมีกําลังก็จะเป็นปฏิบัติต่อกลุ่มสามโมหะทั้งหลายกลุ่มความหลงทั้งหลายนะั่นแหละงั้นก็ต้องทําตรงนั้น ในวักที่ในตอนที่สองท่านบอกคันตาวามุนิวโรตามาอนิมิเสวราสนคาคเนปุณจันโดวาสานิมิสังนามหามีตังพระจอมุนีเสด็จจากโพธิพึกแล้วเสด็จประทับยืนณสถานที่อันประเสริฐ ด, ด้วยพระเนตรที่ไม่กระพริบ เปรียบดังพระจันทร์เพนบนท้องฟ้าข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมพระจอมุนีพระองค์นั้นพร้อมได้สถานที่ที่ประทับยืนที่ไม่กับพิพเนตนั้นโดยความเคารพนี้คือพระบรมศาสดาหลังจากตัดสู้นุตตรสมมาสัมปทิยานแล้วอยู่ต่อมาในสัปดาห์ต่อมานี่ยนะพระองค์ก็มายืนที่อนิมิสเจดีคือการยืนเพ่งต้นภัศนีหมาโพ่เจ็วันไม่กับพิพเนตน การไม่กระพิบเนตรของพระบรมศาสดาในครั้งนั้นถามว่าพระบรมศาสดากําลังคิดอะไรกําลังคิดอะไรถามว่าหนึ่งท่านดูอะไรดูต้นพระศารีมหาโพดูบัลลังถามว่าบัลลังหนะ้าที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนที่มาตัดสู่พุทธเจ้าในานาคตจะมาตัดสู้คนที่จะมีสิทธิ์มานั่งหนะ้าที่ตรงนี้จะได้มีโพธิในการประทับนั่งตรงนี้ได้นั้นนะ่ยยี่สิบบ้าง80ดสิบบ้าง สีสิประสงค์ไขแสนมหากราบเป็นต้นบ้างถามว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยในการที่ท่านจะไถ่ควรบา ร, รมีธรรมต่างๆของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแม้ของท่านเองตลอดถึงบุคคลทั้งหลายที่จะมาตัดสั้ในอนาคตเป็นต้นแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยได้ตัดสั้แล้วเนี่ยในการขนสัตว์หรือสัตว์ออกไปออกไปจากวัตฏะนั้นน่ยพระมหากรุณาที่คุณของพวกรมัสสดาของท่านเหล่านั้นยิ่งใหญ่อ ย, อย่างโมโหลานถามว่ามีสัตว์โลก สักกี่ท่านนี่ที่สามารถที่จะคิดเห็นคุณของท่านได้อย่างลึกซึ้งโดยมากไปนั่งเรียนกันได้แค่สุดตะฟังฟังกันไปก็ผ่านจําได้ก็ไปสอบสอบเสร็จก็ใบประกาศมาติดติดบอกนี้เราจบมหาเอกแล้วจบปริญญาเก้าแล้วเผลอทําบุญฉลองแล้วเคยเห็นคุณของท่านไหมเคยเห็นไหม ถามว่าทำไมเห็นคุณของท่านนะถามบอกว่าสุดตะที่เรียนมาไม่เกื้อกูลต่อจินตาและภาวนาเลยถามอะไรจะเกิดขึ้ น, ท, นท่านต้องคิดใหม่ถ้าคืนคิดอยู่แค่นี้เราเราพ้นทุกข์ไม่ได้แน่นอนแล้วมันก็จมแน่นกันในสงสารวัตเรียนมาแทบแย่ใช่ไหมบางคนเรียนตายไปหลายชั่วคนเลยได้ทำยังไง ฉะนั้นการเรียนดีไม่ดีมากแต่เราเรียนผิดเพราะเราไม่เรียนอย่างฟังธรรมจากพุทธเจ้าและสาวกของพุทธเจ้าเวลาสอนพระธรรมเราก็ไม่สอนอย่างสาวกของพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าสอนเพราะบุคคลทั้งหลายที่ท่านสอนในขณะที่ท่านสอนไปแล้วท่านได้บรรลุแล้วสิต้องไปดูว่าท่านสอนยังไงได้บรรลุท่านฟังยังไงได้บรรลุ ท่านสาธยายยังไงได้บรรลุท่านตรึกทำยังไงได้บรรลุท่านเรียนกรรมฐาน38เป็นต้นอย่างช่ำชองแล้วไปใคร่ควรยังไงแล้วท่านได้บรรลุต้องไปดูวิมุตตายตนะหให้ชัดเราจะได้เห็นช่องทางของการปฏิบัติเนะี่ยชัดขึ้นแล้วมันจะได้ไม่ติดอยู่ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งทั้งนั้นการบรรลุมันจะแคบทั้งๆที่พระเจ้าเปิดกว้างไว้เยอะ ตรงนี้ต้องไปดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นในการศึกษาพระธรรมของเราท่านทั้งหลายก็ไปคข่ครวญกันดูเพราะศึกษาพระธรรมเนี่ยถามว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันขัดเกลามากขึ้นไหมถ้ามันยิ่งหนานแน่นขึ้นแสดงว่าผิดไม่ใช่พระธรรมผิดนะการเดินสิกขาสามของเราพลาดแล้วเพราะถ้าเดินไปเดินมาในใจมันต้องเบาใช่ไหม กิเลสมันต้องถูกละไประยะระย ะ, ะ, ยะปัญญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันต้องเพิ่มขึ้นกายกรรมวจีกรรมโนกรรมนั้นมันต้องนอบน้อมต้องเห็นคุณของพทะเจ้ามากขึ้นต้องเห็นโทษของสังสารวัฏมากขึ้นอันนี้ถูกแน่ถ้าไปแนวทางเนี้ยแต่ถ้าเริ่มเห็นคุณของพทธเจ้าน้อยมุดว่าอาจารย์มาสอนมาบรรยาย เราเริ่มเห็นคุณของพระเจ้าน้อยแต่เริ่มเห็นคุณของอาตมามากนี่คุณผิดแล้วเนะคุณผิดมากเลยนะถ้าถ้าคุณทําอย่างนั้นอาตมาจะไม่รับรองคุณอาตมาจะบอกว่าคุณเดินผิดแล้วเพราะอาตมาก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยวัฒ ธ, ธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามเดินตามพระพุทธเจ้าเวลาอาตมามากล่าวว่านธรรมทั้งหลายอาตมามีหน้าที่ว่าเชื่อมท่านทั้งหลายให้ถึงพระพุทธเจ้าอยังไง แค่นั้นแล้วท่านทั้งหลายไม่ต้องมาผูกพันกับอาตมาไม่ต้องมาผูกพันกับอาตมาเพราะอาตมาต้องการดึงท่านให้ถึงพระพุทธเจ้าถ้าท่านมาปุ๊บที่อาตมาเนี่ยท่านจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านจะเห็นแต่อาตมาแล้วมันอะไรเกิดขึ้นตรงนั้ น, นในที่สุดจริงๆมันอาจารย์เราก็จะเดินกว่าพระพุทธเจ้าอาจารย์เราเนี่นแหละจะตกนรก เพราะอาจารย์ไม่ใช่พระเจ้าเข้าใจไหมนั่นศึกษาพระธรรมต้องชติต้องเคารพว่าอาจารย์ของเราก็ยังกราบพระพุทธเจ้ายังเคารพพระพุทธเจ้ายังต้องอาศัยพระพุทธเจ้ายังมีพระพุทธเจ้าเป็นสัตวะไม่มีไม่ไม่เมียอย่าไปเอาอาจารย์เป็นสัตวะแต่ไม่ใช่ว่าคําสอนที่ท่านกล่าวมาถูกต้องไม่น่าเคารพเพราะนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าความดีของท่านก็คือท่านมาเรียบเรียง ทาให้เราเข้าใจได้ชัดขึ้นนั่นคือความดีของท่านที่เราควรจะบูชาท่านในฐานะนั้นในฐานะนั้นก็แยกมันให้ถูกแยกมันให้ถูกมันจะได้ชัดฉะนั้นพระจอมมนีนั้นที่เสด็จจากโพธิพึกแล้วเสด็จประทับยืนณสถานที่นันประเสริฐด้วยพระเนตรที่ไม่กระพริบดังพระจันทร์เพ็นบนท้องฟ้าข้าพระเจ้าขอนอบไหวพระจอมมนีพระองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่ประทับยืนอันไม่กระพริบพระเนตรนั้น บุคคลที่จะยืนแล้วไม่กระ พ, พิภเนตรเนี่ยกล่าวไว้ไม่กี่คนกล่าวไว้ไม่กี่คนสแสดงว่าบุญท่านดีและสมาธิท่านแข็งแรงมาระดับพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงระดับสาวกของพระพุทธเจ้าหลายๆท่านก็แทบไม่ต้องพูดถึงเพียงแต่ท่านไม่ได้กล่าวไว้เท่านั้นเองภาษารีบุตรเนี่ยเป็นบุคคลที่เคารพพระพุทธเจ้ามากที่สุดในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะภาษารีบุตรนั้นมีสัจทินรีและปัญญีซีมาก คนที่มีปัญญาา ม, มากเนี่ยก็สัตทินรีย์ท่านก็มากฉะนั้นท่านจะเคารพพระพุทธเจ้ามากตอนที่ภาษารีบุตรเวลาพระบรมศาสดาพระปรินิพานท่านเดินถอยหลังมองพระรูปของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็บอกว่าการประช <iern three deuts ches> ุมแห่งขันของข้าพเจ้าและของพระบรมศาสดาคือจะจากกันในครั้งนี้ก็จะไม่มีการหวนกลับมาเจอกันอีกแล้วแผ่นดินไม่มีใจยังหวั่นไหวสะเทือนสะทาน scholars, allem, รองรับเจตนาของท่านนี บารมีที่ท่านเหล่านั้นสร้างมาในการที่จะเป็นคู่บุญบารมีในการที่จะเป็นอัคระสาวกเบื้องขวาของพระบรมศาสด า, ศาเห็นไหมคือแผ่นดินไม่มีใจก็หวั่นไหวถ้าเราศึกษาคุณของท่านตรงนี้แล้วใจเราไม่หวั่นไหวนี่มันน่าคิดเ ห, หมือนกันใช่ไ้ยใช่ไหมว่าใจเราทำไมมันมันมันมองไม่ออกก็แผ่นดินไม่มีใจก็ยังเสือนสท้านรองรับการตำลีของท่านทั้งสอง แต่ทำไมใจของเราเนี่ยมันคิดไปไหนก็ได้ทำไมมันว่นไหวตรงนี้ไม่ได้สัตทินรีทำไมไม่เสะเทือนบ้างทำไมไม่เห็นคุณของท่านต้องสองเป็นต้นไม่ต้องออมาคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้ น, นใช่ไหมเราอ่านยังไงเราคิดยังไงเราตรึกยังไงใข้กลัวยังไงคุณมันทั้งไม่ปรากฏในใจบางคนก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเลยเป็นไปไม่ได้ไปเลยนเดี๋นี้ในวรรคที่สามนะ วันโตมิโซโนเพนาโทดัสตตวาปัดิหาริยังวาสาโดวิยาจังกะมีสจังกะมังนามหามิตังพระนาถเจ้านาถนี่คือผู้นำที่พึ่งผู้คลายอามิตรแล้วคือพระพุทธเจ้านี่คลายเหยื่อของโลกหมดแล้วถามว่ามีอะไรในโลก ในเทวโลกในพรหมโลกที่พระ อ, องค์ไม่คายพระ อ, องค์คายหมดแล้วก็คือพูดถึงในเรื่องของวัตถุตามทกภพเนี่ยก็คือก้อนเสเลจในทัศนาของท่านและมันเป็นก้อนเสเลตจริงๆแต่เราท่านทั้งหลายเนี่ยบัณฑิตท่านคายเสเลตทิ้งแต่เราท่านทั้งหลายเป็นคนที่กืนเสเลจลงคอเนาะใช่ไหม สิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายท่านท่มทิ้งแต่เราก็หอบสิ่งที่บันดิตทั้งหลายถ่มทิ้งแล้วเอามาดูดแล้วก็คืนลงไปนี่แหละกลุ่มที่ติดวัตถุกรรมทั้งหลายเป็นอย่างนั้นจริง น, นี่คือทัศนะของาพยายะท่านหรือพระโพธิสัตว์ท่านถามว่าพระโพธิสัตว์ท่านท่านก็เห็นเป็นอย่างนั้นแต่ท่านเห็นว่าเมื่อเป็นสิ่งต่างๆเป็นสิ่งล่อแต่ว่ามันเป็นคุณได้ คือจะมาพอกพูนบรารมีท่านยังไงเห็นไหมท่านรู้จักบริหารพวกอามิต h ทั้งหลายก็จัดสรรอามิต h ในการที่จะเป็นปัจจัยในการบ่มเพาะโพธิญาณเลยนี่นี่บัณฑิตเขาคิดอย่างนี้ทีนี้ถ้ากลุ่มพวกคนพานทั้งหลายเขาไม่คิดอย่างนี้เขาก็พยายามจะคิดว่าเออเขาจะยิ่งใหญ่ ที่จะอยู่ในโลกใบนี้ยังไงก็แจกจ่ายอมิตรเหมือนกันแต่แจกจ่ายมิตรเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อการได้รับเสียงสรรเสริญเยินยอมันก็ต่างกันลูกคนละมุมเลยเห็นไหมฉะนั้นการสร้างบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคลายพระนาถาผู้คลายอมิตรแล้วทรงสแสดงยมกาปาฏิหารอันน่าอาัศจรรย์พระองค์สแสดงยมกาปาฏิหารแล้วก็เดินจงกรมองค์อาจดุจราชสีที่รัตนาจงกรมข้าพเจ้าขอไหว้พระนาถเจ้านัา้นพร้อมทั้ง สถานที่จงกรมคือรัตนจงกรมเจดีย์หาที่ตรงนั้นถ้าเราไปมองดูในสถานที่ที่พระบรมศา ส, สดาสเสด็จจงกรมตรงสถานที่พระองค์แสดงยมกัปปฏิหารแล้วก็มามาเดินจงกรมเราดูในสถานที่ที่พระองค์แสดงยมกัปปฏิหารพระองค์บอกว่าพระองค์นั้นน่ะองค์อาจดุจราชสีพระธรรมของพระบรมศา ส, สดาวเวลาแสดงแต่ละสูตรเนี่ยเหมือนกับท่านเรียกว่าสีหวิกีระตะใน เป็นในที่มีการเยี่ยงย่างประดุดดังราชสีก็ <c oughs> องอาจมากอ า, อาสพิวาจาเห็นไหมขนาดการอุบัติเกิดขึ้นมาครั้งแรกของพระบรมศาสดาบอกว่าเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้ประเสริฐเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราจะไม่มีอีกต่อไปนั่นคือคืออาการที่อง์อาจนั้นบุคคลที่อาจหารกล่าวได้อย่างนี้แปลว่าบรมธรรมท่าน จะได้อยู่แล้วบารมีเต็มแล้วนั้นคนไม่ควรคิดว่าเด็กเกิดมาปุ๊บเนี่ยเดินได้ยังไงแต่ต้องคิดว่าเหตุปัจจัยอะไรเนี่ยถึงเดินได้ถึงเปล่งอาสพิวาจาได้ก็ต้องไปศึกษาบารมีก่อนจึงค่อยมาดูผลไม่ใช่มาวิจารณ์ผลแต่ไม่รู้จักเหตุ ถ้าเราต้องการอยากจะวิจารณผลเราต้องรู้ก่อนเหตุปัจจัยของท่านบุญนี้ที่บ่มเพาะบารมีสามสิบทัดมายี่สิบอสงไขยเนี่ยท่านทำอะไรมาทำไมท่านออกมาท่านเดินไม่ได้ท่านต้องดูว่าเราทำอย่างท่านได้ไหมใจเราเท่าท่านไหมถ้าเราปรารถนาจะเดินได้เราทำให้ใจเท่าท่านสิแล้วเราจะเดินได้แล้วเราจะเปล่งวาจายอย่างนั้นได้แลวเราก็จะตัดสู้ได้ฉนันก็ต้องทาให้ได้เท่าท่าน ถ้าทําไม่ได้ท่านก็เดินไม่ได้ถ้าท่านวิจารณ์ท่านก็วิจาร์แบบคนไม่เข้าใจเหตุผลไม่ไม่เข้าใจเหตุผลตัวเนี้ฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้ า, าแสดงธรรมเวลาพระองค์แสดงธรรมให้สังเกตนะสีหาวิวิธีการใดนั่นใจคือพระองค์จะแสดงสลับยกตัวอย่างเช่นว่าแสดงวิปัาสนธรรมแสดงเกี่ยวในเรื่องของ สติปฐานแล้วก็สลับมาวิปรัราสีแสดงอริยมรรคแล้วก็มาแสดงเกี่ยวกับวิปรราัาสเป็นต้นแล้วเนี่ยนะหรือคุณธรรมที่ตรงกันข้ามเนี่ยเพื่อให้เห็นความเป็นตรงข้ายกตัวอย่างเช่นว่าเวลาบอกศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาก็แสดงธรรมะที่ตรงกันข้ามกับศรัทธาวุรยิยสติสมาธิปัญญาว่าธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ควรละแต่ธรรมเหล่านี้เป็นความที่ควรจเจริญเป็นต้น ประการสุดท้ายตอนท้ายคือตระนาทตะสังกาโซโลกาโครัตนาเรโตเซสิชนังรังเซฮีสคาราหังนมามีตังพระไตรโลกนาฏผู้เปรียบเสมือนเสาเขื่อนอันมั่นคงสเสด็จประทับอยู่ในะรัตนคราเจดีเจดีเรือนแก้ว ยังมหาชนให้สมานะด้วยพระรัศมีกล่าวคือฉับพันยุตยานฉับพันณรังสีข้าพเจ้าขอนอบนไหวพระไตรโรคกนาาพระองค์นั้นพร้อมด้วยรัตนครเจดีคือเจอดีเรือนแก้วนั้นในสั ป, ปดาห์ที่สี่พระบรมศาสดาก็ไปทับที่เรือนแก้วพิจารณาพิธรรมเริ่มตั้งแต่ธรรมสังคณีเป็นต้นตามลําดับไล่ไปจนคมภีร์สุดท้ายคือยะมะกปก บ, บเออคมภีรปรฐาน พอไปพิจารณามหาปฐานเริ่มตั้งแต่เหตุปัจยโยอารมนะมะนปัจโยเป็นต้นนึงพวกใครควรไปเนี่ยฉับพันนลังสีก็ได้ช่องคือสัพพัญญุตยานของบุรุษมรสาสดาเนี่ยถ้าได้อารมะมะนาปั จ, จน้อยสภาวะของสัพพัญญุตยานนั้นก็แล่นแล่นไปตามอารมณ์ท่านที่บอกว่าโลกธาตุมีจํานวนเท่าไหร่สัพพัญญุตยานของบุรุษมรสาสดาก็มีจำนวนเท่านั้น มีขอบขายจำนวนเท่านั้นขอบขายของพระบรมศา ส, สดาเท่าไร่โลกธาตุก็มีจำนวนเท่านั้นฉะนั้นมหาปฐานมีประมาณเท่าไรสัพพัญยตยานของพระบรมศา ส, สดาก็มีประมาณนั้นประมาณของสัพพัญยตยานของพระบรมศา ส, สดามีเท่าไรความลึกซึ้งความละเอียดของปฐานก็มีเท่านั้นฉะนั้นพอได้ท่องเที่ยว ได้คำได้ปัฐานปกรณ์มาเป็นอรมนานปัจัยแก่สัพญุตยานพอสัพญุตยาณได้ไดอรมนานปัจัยอรมานาที่ปฏิปใัยรมาโนปนิสติยปัจัยถามว่าฉับพันณรังสีทั้งห ก, ก็เริ่มเปล่งปลัง่งถามว่าเปล่งปลั่งยังไงพอมหากริยาญาณสำประยุตมีสัตทินรีผยผ่องใส มีวิริยินสีสตินทรีปัญญินทรียเป็นต้นสมาตินรีย์เป็นต้นผ่องใสใช่ไหมเพราสภาวะของนามมาทำผ่องใสเป็นปัจจัยแห่งฮัทยวัตุผ่องใสฮัทยาวัตุผ่องใสกระทบหมาพูดผ่องใสหมาพูดผ่องที่เกิดจากกรรมผ่องใสเกิดจากจิตก็ผ่องใสเกิดจากอุตูก็ผ่องใสเกิดจากอาหารเป็นต้นก็ผ่องใสในการัชกายทั้งสิ้นก็ผ่องใสฉะนั้นสีทั้ง6ประการก็ออก โลดแล่นไปเต็มห้องจักราวาลโดยประการอย่างนี้แต่เราไม่เห็นหรือเห็นเปล่ามีถ้าเห็นเนี่ยความลึกซึ้งในพุทธคุณน่าจะมากกว่า น, นีใช่หหรืออาจจะเห็นนานแล้วเลยลืมพบชาติทับถมหรือคิดไม่ค่อยออกนเนี่ยนยะฉะนั้นในที่ตรงนี้ก็คือ เห็นไหมว่าข้อมูลสำคัญไหมหลายคนพอไปแล้วคิดเฉยๆมองไม่ออกไปเห็นก็ซากอิดเก่าๆไหมแต่ย้อนคุณไม่ตรึกคุณไม่ชัดอันนี้ไม่ถามว่าสระน้ำมีอยู่ท่านไม่โดดลงสระไม่ใช่เป็นความผิดของสระไม่ใช่ความผิดของสระ หมอมีอยู่แต่ท่านเป็นโรคแล้วท่านไม่ไปหาหมอไม่ใช่ความผิดของหมอใช่ไหมใช่ไมใช่ทางพ้นทุกมีพระนิพพานก็มีแต่ไม่เดินทางนั้นไม่เข้าถึงพระนิพพานไม่ใช่ความผิดของทางไม่ใช่ความผิดของพระนิพพานท่านก็ไปพิจารณาดูความผิดของใครความผิดของใคร าต่อไปอรหัตโตเดี๋ยวจะไม่จบเพราะจริงๆจะเข้าเข้าเส้นทางการสร้างบารมีเดี๋ยวบูชาคุณให้จบก่อนนี่เพิ่งได้อรหัตโตนี่นะเดี๋ยวนะโมตัสสะนะพักวะโตไปแล้วนะนี่อรหัตโตอรหัตโตมาจากคำว่าอังคีรโสมหาปุญโญอาชาปารามุก ป, ปาคโต อนตโรมหาสักโคสาชะปารังนมามาหมิตังพระจอมุนีผู้ประเสริฐผู้มีรัศมีฉับพลันหลังสีแผ่ซ่านผู้มีบุญญาพินิหารันยิ่งใหญ่สเสด็จไปสู่ควงไม้อัชะปารณิโคดข้าพระเจ้าขอนอบไหว้พระจอมุนีพระองค์นั้นพร้อมด้วยควงไม้อัจฉปารณิโคดนั้นอันนี้คือสถานที่ที่พระรมมาสาสดาประทับในสะปดาที่พระ ผู้เจ้ายังตัดสรู้อยู่นะดังสถานที่ตรงนี้บอกว่าพระองค์แผ่ซ่านด้วยสัพพนลังศีพระบรมศ า, ศาสดานั้นเป็นบุคคลมีบุญญาพินิหารมากคือบารมีที่บ่มเพาะ ม, มาเสียยีประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากัาบเป็นต้นนะท่านพัฒเสด็จไปได้ควงอาชา ป, ปาละนิโคธบูชาณฐานที่ตรงนั้นเพราะเป็นพระเจดีเป็นสถานที่ที่คนเคารพเป็นสถานที่ที่บ ร, รมศาสดาได้ทรงบริโภคได้ทรงใช้สอยพระองค์ได้อยู่ในสมาบัติ สองล้านี่แสนโกรสมาบัติที่พระองค์ทรงใช้สอยณสถานที่ต่างๆเหล่านั้นเป็นสถานที่ที่ควรสักการะควรบูชาควรนอบน้อมชื่อว่าเราไปบูชาพยานของพระบรมศาสดาบูชาอาส า, าธรณญยานหเวนิกรารรรม18พุทธายัน14เวสาลัชายานสิบแล้วก็ทศพลลายานสิบของพระบรมศาสดาเป็นต้น นั้นเราท่านทั้งหลายก็ต้องไปตามดูพระคุณของพระเจ้าจะได้เห็นคุณของพระบรมศาสดาวยิ่งใหญ่สักปานใดนแลเนี่ยนะก็พิจารณานะตั้งศรัทธาตั้งเจตนาและปัญญาให้ชัดลาตราชาเรหิช า, ชาโชตันโตมุจรินเดเหมหาสเรลาวราชาวโยนาโทสัทธานาหังนามามิตัง พระนาถาเจ้าพระองค์ใดผู้รุ่งโรจน์อยู่ด้วยขายแห่งพระราชมีกล่าวคือฉัพพันณ์นรังศรีเป็นต้นเหล่านี้นะถามบอกว่าฉัพสวยมุติสุขใกล้สระน้ําใหญ่มุจลินดุดพระอาทิตย์จอมนักสัตว์ข้าพเจ้าขอนอบว้พระนาถาเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยสระน้ําใหญ่มุจลินนะคือพระบรมศาสดาหลังจากที่ได้ตัดสรู้แล้วพระองค์ก็ไปสวยมุติสุขอยู่ที่สระมุจลิน ในครั้งนั้นก็ที่วมีพยานหน้าเข้ามาปกป้องพยานอันตรายให้มานอบน้อมมาบูชาป้องกันฝนป้องกันลมป้องกันแดดเป็นต้นถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาเป็นต้นเจวันเป็นต้นฉะนั้นสถานที่หน้าที่ตรงนั้นก็เป็นเจดีเจติยาเป็นสถานที่ควรเคารพด้วยกายวันธนาวจีวรนนาและก็มโนวันนาควรไปนอบน้อมไปตามระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาตั้งศรัทธาเจตนาและปัญญาให้มั่น ทำกุศลจิตุบาทให้เกิดขึ้นใช่ไหมกระแสะของขันธาตุอจิตนะนั้นจะได้เป็นไปกับคุณของพระบรมาศาสดาชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ไปเจริญพุทธานุสติแล้วนั้นเมื่อเจริญพุทธานุสติแปลว่าเพื่อต้องการจะเห็นคุณของพระบรมาศาสดาเมื่อเห็นคุณของพระบรมาศาสดานั้นเพื่อจะตั้งสัตตินีวิริยินรีสัตตินรียสมาสินรีแล้วก็ปัญญินทรีย์ให้ชัดเมื่ออินทรีย์เหล่านั้นแข็งแรงขึ้นจากคณิกสมาธิเป็นอุปจารสมาธิ ในที่สุ ment, good, unku, ส umas, ดจริงๆจะได้เ okay. ป็นปัจจัยแก่ปราโมดปีติปัสสธิความสุขเป็นต้นและสมาธิใช่ไหมและจากปัจจัยต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละจะได้มาใไขครววโดยการเป็นเห็นนามธรรมต่างๆเหล่านั้นที่ไปพิจารณาคุณของพระบรมศาสนานั้นโดยความเป็นปัจจัยลักษณะใช่ไหมแล้วก็เห็นสามัญลักษณะของสภาวะธรรมทั้งนามธรรมและก็รูปธรรมต่างๆเหล่านั้นพร้อมต้องเหตุปัจจัยของนามธรรมและรูปธรรมต่างๆเหล่านั้นและจะได้ล้าชั้นทลาคะ ความยินดีเพลิดเพลินในขันธะยตนาเป็นต้นและจะได้ออกจากวัตะให้ได้ตามที่พระบรมศาสดาเป็นต้นถ้าไม่ศรัทธาของพระเจ้าอย่างรุนแรงแล้วการจะออกจากวัตฏะไม่ใช่ฐานนะไม่ใช่ฐานนะที่จะออกนะฮาตาวิโชคุณาธโรราชายตนาปาทาเปหเวนิสีทริรขิยาสัทานาหังนามามิตัง พระบรมาศาสดาทรงกำจัดอวิชาก็คือความมืดมนอนการในขันธ์าตุอยายตนะในอดีตและอนาคตขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นไปในปัจจุบันและความมืดมนในปฏิจจสมุปบาทที่สัตว์ทั้งหลายหลงอยู่ใช่ไหมถามว่าเออปฏิจจสมุปบาทนี่เราไม่เคยเอาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้เลยนะเรียนกันมาตั้งเยอะแยะอามาถามหลายคนแล้วถามว่าช่วยเอาปฏิจจสมุปบาทมาเจริญเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาหน่อยที่นั่งเงื้อง ๆ, งงๆงกันไปแถวเลยทีนี้เพราะอะไรรู้ไหม ไม่รู้จัะเจริญยังไงแต่บางคนท่านได้นะี่บางท่านจะเอามาเจริญเป็นอารมณ์ขุ่นบันนาในรายละเอียดอยเพิ่งลงไปเลยเนาะเพราะเดี๋ยวลงไปเลยยาวเลยเนี้๋ยวจะไม่ไปพุทธคุณไปธรรมคุณไปเลยดิแต่จริงๆก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่เนี่ยนะก็คือในธรรมจักรประวัตนาสูตรท่านจะกล่าไวไว้ไงว่าโพธิปักจียธรรมคือสติปัฏฐานสมปทาหันอิทิบาทอินทรีพระละโภชงแล้วก็อริยมรรตมีองค์แปด ในสาประการนี้ไปไข้ควรในะวิชาสังขารวิ ญ, ญาณนำรนาานนูปสลายยตนาภาษาเวทนาตั้นหนาวปาทานเพะว่าชาติชร า, ามาแล้วะไข้ควร12องค์เลยแต่ละองค์ก็ไข้ควรแล้วก็สรุปลงอริยสัจคือทุกสมุทัยที่โลดมากเป็นต้น ก, ก็ท่านก็ใข้ควรให้ดูตรงนั้นก็เวลาศึกษาธรรมจกักวทรษทศก็ค่อยไปนั่งวิจัยกันเอางั้นดีกว่าเราจะได้ไม่ตามเดี๋ยวจะไม่เป็นเรื่องเลยเดี๋ยวนี้ก็จะไปพูดเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวเขายิ่งมองอาตมาว่าชอบชอบเชื่อมโยงบอกแม้พูดเรื่องหนึ่งเชื่อมโยงไปเรื่องเด <ใช S 1> <ล>ียวก็ <S <S คือต้องการจริงๆแล้วในพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีท่านแสดงไว้ย่ออย่างนี้เวลากล่าวพระมาต้องการจะเชื่อให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นคล้ายสะพานนั่นเองอยากจะทําสะพานให้ท่านทั้งหลายเดินความคิดไต่จากมุมนี้ไปถึงมุมนั้นวัตถุประสงค์เพื่อแทงดลอ์เพื่อเข้าใจพระธรรมของพระเจ้ายิ่งๆขึ้นไปเพื่อเป็นปัจจัยการขัดเกลาลยทำเชื้อเจละราคาโทสะโมหะ ก็เหมือนกรณีการกล่าวซ้ำใช่ไหมจริงๆถามว่าการกล่าวซ้ำนี่ถ้าใครเคยอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยการสรุปลงเวทนาสัญญารูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณเป็นเรื่องปกติแล้วการกล่าวซ้ำเป็นเรื่องที่ดีเหมือนเราไปสวดมนต์ธวรมวชิราซ้ำๆซ้ๆอู่รูปังอันนี้จังเวทนานี้จังเนียแล้วก็ไปสวดกันตลอดก็ไม่ได้เปลี่ยนบทเสียทีใช่ไหมแต่ด้วยการตรงนั้นน่ยก็เหมือนเรากินอาหารซ้ำๆอย่างนี้เป็นต้น แต่เชื่อไหมเรายังไม่เห็นโทษของการกินอาหารเรายังไม่เห็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณตราบใดก็ <_ entered> จะต้องเอารูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณมาพูด <uz> เพราะว่าจริงๆการฟังธรรมคือการปฏิบัติธรรมให้ได้ให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ถ้าท่านทั้หทงหลายยังไม่เข้าใจว่าการฟังธรรมคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านท่านท่านก็จะปิดช่องทางการบรรลุของท่านเองอะและช่องนี้ใหญ่ด้วยช่องนี้เป็นช่องที่ใหญ่มากด้วยแล้วท่านไปปิดช่องทางตัวเองทําไมฉนั้นอย่าปิด ใช่ไหมเปิดเข้าไว้ถ้าท่านจะออกช่องไหนได้ในห้าช่องนี้ออกเลยแต่ไม่ใช่ไปออกช่องใดช่องหนึ่งบางคนบอกอุ้ยรีบเรียนรีบเรียนจะได้ไปปฏิบตัติมันเลยมีช่องปฏิบัติอยู่ช่องเดียวกว่าจะเรียนแทบตายเลยตอนเนี้ยกว่าจะได้ไปปฏิบัติแต่ละทีโอ้โหปีหนึ่งหยุดไปปฏิบัติเจดวันดูสิเนะี่ยแทนที่จะได้ปฏิบัติตลอด แต่ก็ไปได้ปฏิบัติแค่เจดวันเนี่ยก็เรียกว่าทําช่องทางตัวเองให้มันเล็กให้มันเล็กจะไปทับอย่างงั้นก็เปิดตั้งห้าช่องแล้วเรายังมองยังเดินยังไม่ถูกอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมถ้ายิ่งไปปิดเหลือช่องเดียวอยู่ก็ยิ่งแคบใหญ่เลยงั้นเปิดกว้างๆเขาไว้จะได้เป็นช่องทางแห่งวิมุตตายตนะคือช่องทางการหลุดพ้นจากสังสารวัฏให้กว้างขึ้นเปิดตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่เราเปิดเองนะ ไม่ใช่โอ้ท่านวันนี้มาอาถานเปิดทางไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดทางไว้แล้วเป็นช่องดางมารู้ได้จริงๆตรงนี้พระพุทธเจ้ากําจัดอภิชาวิช า, า, ชาคือความมืดทรงทรงคุณธรรมหาที่สุดไม่ได้ประทับนั่งด้วยพุทธสิริเนะควงไม้ราชายาตนาคือไม้เกียรติข้าพเจ้าข อ, อนอกไหวพระบรมศาสดานั้นพร้อมณนะสถานที่ตรงนั้นคือสถานที่และที่ตรงนั้นถึงแม้ว่าเราหาไม่พบไม่ใช่เป็นหลักเสิ่มก่อน ไม่ใช่ประเด็นนก็เหมือนเนี้ยถามว่าเราจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่พระองค์ตั้งปฐมมจจิตเป็นต้นเนี่ยเราหาเจอไหมแต่อัตถะและความเข้าใจและการสร้างบา ร, รมีล่องรอยบา ร, รมีมีอยู่ล่องรอยของทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมาปัญญาวิริยคันติส จ, จ่าที่ฐานะเมตตาอุเบกขามีอยู่ไหม นั่นแหะคือล่องลอยแก่การเป็นเป็นอารมณปัจจัยแก่พุทธาแก่การเจริญพุทธานุติได้ทั้งสิน้นฉะนั้นสติก็ดีปัญญาก็ดีศรัทธาก็ดีเจตนาเป็นต้นก็ดีน้อมและลึกถึงบา ร, รมีธรรมเหล่านั้นน้อมลึกกระสึงกระแสนามธรรมาของท่านเหล่านั้นที่ในอดีตต่างๆที่ท่านได้บำเพ็ญมาทั้งสิน้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นต้องพอกพูนเข้ามาในกระแสจิตเราให้มาก เพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การที่จ ะ, จะเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเพ่จะได้ตั้งมั่นในการที่จะพอกพูนในการทําพุทธะพุทธคุณต่างๆใ ห, ให้ตั้งมั่นถ้าคุณของพระบรมศ า, ศาสดาเนี่ยไม่ตั้งมั่นในกระแสะนำมาธำรูรูปธรรมของท่านเนี่ยนะกระแสะขันของท่านเนี่ยก็หลุดวงจรพุทธะอีกแล้วท่านก็จะหลุดวงจร อ, อยู่พุทธะเอาอาหะโตในมวดสตาร์เคือว่าโตมาเรนาอริงหันตวา มีคาายังมหาวันังโตอสตตวาอุปกังคันชีมหาชินังนัมมหามีตังพระชินเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงกำจัดศัตรูด้วยกล่าวคือกิเลสได้หอกคือพยานยังอุปกาชีวกให้ชื่นชมแล้วเสด็จไปสู่ป่ายิสิปตนามรรกรธัยวันอันเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระชินเจ้าพระองค์นั้น คือพระบระมาาศาสดาหลังจากกรราําจัดกิเลสคือราคาโทษาโมหะด้วยได้ด้วยห อ, อกนะห อ, อกในที่นั้นมี็ชื่อของพยานคืออรัตมายานของพวกอมษษตะในส่วนจริงก็ร่าราคาโทษาโมหามานะเป็นต้นไดน้สามารถตัดกิเลสในกำมูลขันธสันดานของท่านในขาดสะบั้นเลยใช่ไหมเป็นสมุทเฉททัพอาหารล่าได้อย่างเด็ดขาดแล้ว แล้วต่อมาพระองค์ก็เสด็จจาริกในการที่จะไปโปรดปัญจวคีทั้ง5นึ่ที่กล่าวเรื่องนี้ก็ยาวเนาะถ้ากล่าวแต่จริงๆก็คือสรุปย่อดๆตรงนี้ก็คือว่าพระองค์พิจารณาหรือ ว, ว่าอุปการ ช, ชีวกมิวอัธยาศัยในการที่จะได้มากผลในอนาคตด้วยพระมหากรุณาที่คุณนั้นน่ยตามพุทธประเพณีพุทธเจ้าทั้งหลายต้นเหาะไปในการที่จะไปแสดงธรรมครั้งแรกพระบรมศาสดา ข, ของเราพระองค์นี้ท่านเสด็จด้วยพระบาทเปล่าระยะคุณตัง18โยชน นั่นเพื่อจะไปโปรดปัญญาวัคคีในระหว่างทางก็โปรดอุปการชีวกทําให้อุปการชีวกนั้นได้รับอัธยาศัยในการที่จะได้บรรลุมรรคผลในอนาคตอันใกล้ได้ด้วยแล้วก็ทําได้อย่างนั้นจริงๆนั่นคือพระหมหากรุณาธิคุณของพระผู้มีพระญาณสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านทั้งหลายเก็บรายละเอียดไว้ <P. S 2> เพื่อเป็นอารมณปัจจัยแก่สติปัญญาและก็ศรัทธาของท่านให้มากเก็บซ้ําๆซัซกๆไม่เป็นไรเก็บไปเถอะค่อควรแล้วเล่า ถามว่าใครควรดีพอไหมให้สังเกตทีบางทีคนถามเรานึกตั้งนานกว่าเดีนึกได้แปลว่าการใครควรของเรามันน้อยนะเด็กคือว่าให้เป็นอาหารของศรัท ธ, ธาให้เป็นอาหารของวิรยิยะให้เป็นอาหารของปัญญาให้ได้เมื่อเป็นอาหารของวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้ได้แล้วศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแข็งแรงเมื่อไหร่แล้วเนี่ยท่านทั้งหลายจะตั้งมั่นในคุณของพระรันาตนตรัยในคุณของพระเจ้าแล้วจะเป็นปัจจัยในการพ้นทุกข์ฉะนั้นท่านก็บูชา สถานที่แสดงธรรมจักด้วยกับประวัตนาสูตรและสถานที่ที่พระสถานที่ที่ท่านพระญาโกณญาเป็นต้นได้ได้บรรลุด้วยเป็นต้นต่อมาก็คือสัมมาสัมพุทธัสสะมาจากคำว่าสัมมาปโตมหาเตโชปัญจวัคคยาภิกขุนังสัมมาดมังปะวะวตเตสีสถานาหังนามามิตัง เอาให้จบเลยเนาะสังคิสโรมหาปัญโยทัตวาตังมหาชนังสังทิตโจรังเชตัมหีสาวิหารังนัมมหามิตังพุทธะสารุญญาณีนิพพัตะสาจตาดิโูบุธัสาตาสาทาตุโย สยารูปังนา ม, ามีหังพระบรมศาสดาผู้มีเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จถึงป่ายสิปัตนามริกทายวันโดยสวัสดีภาพพระบรมศาสดานั้นทรงแสดงธรรมจักรกัะประวตนาสูตรเป็นเบื้องแรกแก่ปัญญวัคีโดยชอบคือพระองค์แสดงธรรมจักรกับปรวตนาสูตรแก่ปัญญวัคีทั้งห้าในพระธรรมเทศนานี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อม กราบไหว้พระบรมศาสดาพระองค์นั้นพร้อมกับสถานที่เหล่านั้นด้วยกายวรรณนาวจีวรนธน า, นธนาและกัมโนวัรธนาพระผู้มีพภาคเจ้าผู้ปกครองสงฆ์มีปัญญาอันใหญ่หลวงประทานอมตะธรรมแก่มหาชนพระองค์ประทานวิมุติธรรมนะทำที่จะทําให้สัตว์นั้นหลุดพ้นอมตะธรรมกก่าคือประทานพระนิพพานนะประทานอะไรสูงสุดประทานอนุ ป, ปาธาปริยพาน สัตว์เหล่านั้นได้ดื่มดมอนุปาธาปนิพานแล้วสัตว์เหล่านั้นก็พ้นจากสังสารวัฏพ้นจากวัตทุกขพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องมาเวียนวายตายเกิดนะไม่ต้องมาเจ็บปวดในการต้องมาดูแลผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตตับเป็นตนน้นอันนี้นะีไม่ต้องมาบริหารขันไม่ต้องมากินข้าวไม่ต้องมาทํากิจธุระการงานไม่ต้องมา แบกขันธภาละยกขันธภาละบริหารขันธภาละทิ้งขันธภาละนี้แล้วก็ไปยกขันธภาละขึ้นมาใหม่แบกใหม่ดูแลใหม่บริหารใหม่อุ้มใหม่แบกแล้วหนักถึงจุติขณะก็ทิ้งขันธพาละปฏิสนธิขณะก็ยกขันธภาละขึ้นมาแบกใหม่อยู่กันอย่างเนี้ยฉะนั้นจารบอกว่าเพราะไม่ได้อมตมาดรทแต่พระบรมศาสดาที่มีปัญญาอย่างใหญ่หลวงพระองค์ประทานอัตะธราทแกมหาชน แก่ภิกษุภิกษุณีบาโสกและอุบาสิกามหาชนเหล่านั้นได้รับอมตะธรรมเหล่านั้นแล้วท่านเหล่านั้นก็ได้อนุปาธาปรินญพานเป็นรางวันในที่สุดจริงๆท่านก็ทิ้งขันธภาระอย่างขาวรท่านไม่ต้องมามีสัมภาละอะไรต้องมาดูแลอีกแล้วส่วนใหญ่ประทรับอยู่ที่วิหารเชตาวันข้าพเจ้าขอน้อมไหวพระพุทธเจ้าพราะองค์นั้นพร้อมด้วยพระวิหารเชตวันนั้นในพระวิหารเชตาวันนี้เป็นที่เกิดของพระธรรมเยอะมาก คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมและพาริยสงฆูบัตตเกิดขึ้นมาได้มากจริงๆขันบอกว่าเฉพาะในสาวะถีนี่ประชาครเจดโกดนี่เป็นพาริยสห้าโกด์ห้าโกดได้เป็นพาริยสองโกดไม่ได้บรรลุเป็นเราบ้างหรือเปล่าหรือสองโกด์นี่นถ้าอย่างนั้นก็ยังได้มีกลิ่นอของพระธรรมบ้ า, บางใช่ไหม ประการที่สามที่สุดคือข้าพระเจ้าขอนอบไหวพระธาตุของพระพุทธเจ้าผู้คงที่ผู้เสด็จดับขันธปรินิพานนัสารวโนโยะวโนทยานป่าสาระคือพระธาตุของผู้รู้เจ้าหลังจากที่พระเจ้าทิ้งขันธภาระอย่างเด็ดขาดให้กับพยายามมานยังไม่มานขอแล้วขอเล่าขอตั้งแต่ตัสรู้ใหม่ๆเลยนะขออยู่ในเที่ยวขอข อ, ขอทีนี้ปกติเนี่ยพระพุทธเจ้าที่สร้างบา ร, รมีมามีไหมที่ใครขอแล้วไม่ให้ใช่ไหม พระ อ, องค์ต้องอดกลั้นเจตนาทานเนี่ยแล้วก็วัตถุทานเนี่ยยังให้ไม่ได้ลองคิดถึงใจของบุคคลที่บำเพ็ญมายี่สิบประสงค์กายิ่สิบแสนมากับถ้ามีคนมาขอขันทิ้งขันเถอะอย่าว่าแต่มานขอเสือไม่ขอเลยแค่เสือหิวท่านยังโดดให้เสือกินไปแล้วใช่ไหม หรือท่านไม่มีทานอะไรเลยท่านเป็นกระต่ายเนี่ยท่านยังโดดย่างโยติ้งเนื้อตัวเองให้เขากินมาแล้วแล้วก็ค่อยปิ้งเนื้อตัวเองให้มันค่อยๆสุกให้เป็นทานว่าก็ทําเยอะแยะหมดแล้วแค่มารขอท่านต้องอดกั้นเนี่ยเพราะอดกัน้นมารก็ถากถางไหนยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากรบขอไม่ให้เลยดูสิเนี่ย ใช่ไมเอาถ้าคนเนี่ยใครขออะไรก็ให้ขออะไรก็ให้แต่มารขอขันให้นิพพานไม่ยอมให้ใช่ไมนั่นแหละคือพระมหากราุณาธิคุณถ้าพระองค์ให้แก่พญามารเนี่ยจะมีวันนี้กับพวกเรามานั่งประชุมฟังธรรมไนเนี้ยมันจะไม่มีบรรยากาศนี้เลย